หลวงปู่เคยสอนนะว่าเป็นพระไม่มีหน้าที่ก่อสร้างแปลว่างี้นะอย่างบางคนมานิมนต์บอกให้ไปอยู่ตรงนี้ให้ไปสร้างวัดจะถวายที่อะไรเงี้ยหลวงปู่ก็มอบหมายให้พระองค์ น, นี้ไปอยู่องค์ น, นี้ไปอยู่พระจะเกี่ยงกันรุน่นลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยจะเกี่ยงกันไม่อยากเป็นเจ้าวาดหรอกพระภาวนานจริงๆไม่เอาหรอกคือบอกผมก่อสร้างไม่เป็น หลวงปู่ก็จะบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ไปก่อสร้างนะไปอยู่แล้วไปภาวนาแล้วโยมพรสร้างเองเนี่ยวันเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ต้องสร้างเองยอมพระสร้างแล้วก็มาภาวนาโบสถ์นี่ก็ไม่ได้สร้างเองช่างเป็นคนสร้างที่แรกนึกว่าจะเสร็จตั้งแต่ปีก่อนปีนี้หลังคา มีบางส่วนและว mm hmm. พอทำรังคาเสร็จเนี่ยเอาพระประธานเข้ามานะกิจกรรมตอนนี้มีพวกอาจารย์ถาปาดอาจารย์อะไรนะั้นม่ช่วยกันมากเลย mm hmm. เขาไม่ได้ตังค์หรอกนะเขามาช่วยกันดูช่วยกันทำเลยได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะอย่างบางทีพระไม่เข้าใจ ไปซ่อมไปทำอะไรในวัดนะครับเข้าของเสียหายอย่างพระพุทธชินราชเสียไปแล้วแต่เดิมรอบรอบโบสรอบรอบวิหารเนี่ยเป็นดินความชื้นมันขึ้นได้เท ป, ปูนหมดความชื้นก็ขึ้นที่พระแถมฐานเนี่ยคนโบราณทำไว้มีมีรูนะคนรุ่นหลังไม่เข้าใจไปปิดรูหมดเลยว่ามันไม่สวย พระก็ผุไปเลยนะตอนนี้พระหลายวัดเนี่ยเสียเราก็ได้บทเรียนนะได้จากพวกผู้เชี่ยวชาญนะบอกบัวหลวงพ่อนี่นะข้างล่างก็เทปูนนะป้องกันความชื้นพระก็กะว่าจะอยู่ได้นานนะจนคนไทยเลิกนับถือศาสนาพุทธนะ <c oughs> แต่สวยมากเตรียมดูนะ ขอให้ทุกคนมีอายุยืนยาวได้เห็นอย่างน้อยต้องอีกสองปีทำไมต้องทำพระพุทธรูปไม่มีได้ไหมถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าจริงๆิไม่มีก็ได้ต้นไม้ทุกต้นก็เป็นพระพุทธรูปได้ถ้าใจเราถึงพระนะ แผ่นดินทุกที่กราบลงไปก็เป็นพระพุทธรูปได้ถ้าใจเราถึงพระแต่ ใ, ใจที่ยังไม่ถึงพระอินทรียังไม่แก่กล้าก็ อ, อาศัยสื่อไปช่วยใส่สั ญ, ญลักษณ์บางคนนะบอกพระพุทธรุปไม่จำเป็นอะไรงี้ไม่มีหูมีตาไม่รู้อะไรบางอย่างสิ่งซึ่งคนตาไม่ดี ม, มันไม่เห็นนะมันก็มี พระพุทธรูปมนะัมีพลังงานนะมีพลังงานนะบางองค์พลังงานมากางองค์พลังงานน้อยเป็นสื่อเป็นสื่อที่รับพลังงานได้วัตถุทั้งหลายนะวัตถุบางอย่างจะมีพลังงานในตัวเองบางอย่างไม่มีพลังงานแต่แต่เป็นที่แอบซับพลังงานได้ เรื่องใบไม้นอกกำมือนะี่ชอบชอบนะ <c oughs> ไม่มีใครง่วงเลยเนอะ <c oughs> ใบไม้ในกำมือมีสี่ใบทุกสมุทยนี่โรธมัดรู้เท่านี้ก็พ้นทุกข์ละใบไม้นอกกำมือไม่มีที่สุดเลยเยอะแยะ ย่งการรู้ว่าละจิตคนอื่นนะทําได้หลายแบบนะรู้ไห ม, มบางอย่างเรียกว่าเจโตปริยญาณบางอย่างเป็นทิพจักสุไม่เหมือนกันนะอืมอยากรู้ไหมให้รู้ว่าอยากไป <c oughs> ไปภาวนาะเอาภาวนาวดูจิตตัวใจตัวเองนะอย่าไปดูคนอื่นถ้าเราภาวนาวแล้วเราไปดูคนอื่นะมันจะไม่ย้อนมาดูตัวเอง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 จิตกระเพื่อมวันไหวไปตามอารมณ์เป็นสมุทยผลที่จิตส่งออกนอกไม่มีสติกระเพื่อมวันไหวไปเป็นทุกข์นะถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่นะมันจะเดินปัญญานะจะกลายเป็นเดินปัญญาไปจิตนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดปัญญาจิตต้องทำงานแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นไป ปัญญาถึงจะเกิดยันเราอย่าไปให้จิตติดนิ่งติดเฉยปล่อยให้เขาทางานไปท่านสรุปตอนท้ายนะว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายไปถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพิ่มหวั่นไหวมีสติบริบูรณ์มีความสุขเป็นมีวิหารธรรมอย่างเนี้ยเป็นวิหารธรรมทำไมพระอรหันต์มีจิตไม่ออกนอก จิตไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีที่ตั้งไม่เป็นจุดไม่เป็นต่อมเล็กๆน้อยๆจิตพวกเรารู้สึกไม่เป็นดวงเล็กๆถ้าภาวนาแลรัศมีมือใจกว้างขึ้นจิตธาตุหันนั้นไม่เป็นจุดไม่เป็นดวงกระจายออกไปเต็มโลกมันเต็มแล้วนี่มันไม่ไปไม่มาละพมันเต็มไปแล้วมันรู้จะไปไหนไม่มีที่จะไป ไม่มีการเคลื่อนไหวนะไม่มีขอบเขตจิตนั้นคล้ายๆจิตหลวงปู่ดนลวบอกว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตท่านพูดซื่อๆหรอกผูกเป๊ะๆของท่านของเรายังไม่เห็นนะไม่เป็นไรนะภาวนาว่าวันหนึ่งก็เห็นนะวิญญชนรู้ด้วยตนเอง ต้องพยายามปฏิบัติเข้ารักษาสืบทอดพระศาสนาไปนะรักษาให้ได้เงี้ยลูกหลานเราจะอยู่ในความมืดบอดคนไม่มีพุทธศาสนานะบางทีเขาไม่ได้ชั่วหรอกนะคนที่แปวนป้ายเป็นชาวพุทธชั่วกว่านั้นก็มีในชาวพุทธแท้ๆเนี่ยไม่ชั่วหรอกแต่คนดีทั่วๆไป ไม่รู้จักพุทธศาสนาเนี่ยมันน่าสงสารอย่างหลวงพ่อไปอเมริกาไปประเทศต่างๆเห็นนะนะแต่และประเทศเขาก็มีคนดีดีเขาดีจริงๆเลยนะแต่มันดีทางจริยธรรมเขาพาวนามไม่เป็นก็ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนมากก็คิดว่าตายแล้วสูญไปนะไม่รู้ไม่เห็นของจริงนะคิดว่าตายแล้วสูญ ไปบางประเทศเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วเกิดพวกฝรั่งเนี่ยชอบคิดว่าตายแล้วศูนไปอินเดียอินเดียเนี่ยพวกนี้คิดว่าตายแล้วเกิดอาศัยไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ได้อาศัยธรรมะเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะรู้ว่ามันไม่มีคนตั้งแต่ตอนนี้เงินมันไม่มีเมื่อมันปัจจุบันมันยังไม่มีคนเลย คนตายแล้วมันจะไปไหนมันไม่มีคนมันมีแต่ว่ารูปเอตนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะไม่มีคําว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเมื่อเขาไม่เข้าใจธรรมะแท้ๆเขาก็ยังต้องวนเวียนต่อไปพวกที่เชื่อว่าตายแล้วสูญก็เกิดก็เกิดอีกแต่ไม่ได้เกิดในลักษณะจิตดวงเดิมถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่ นั้นเป็นฮินดูฮินดูจะเชื่อว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอมตะไม่ตายนีพราของเราเองนะพระสงฆ์บางองค์ก็เที่ยวสอ น, นจิตเที่ยงนั้นมันฮินดูพระเจ้าสอนว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะครัภาวนาให้เห็นของจริงนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปพอเกิดดับจิตก็เกิดดับ ดูบ่อยๆเดี๋ยวครันหนึ่งก็เห็นเองอะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองความจริงก็ต้องปรากฏจนได้เราใจลอยไปไม่เห็นกายเห็นใจก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราไปเพ่งกายเพ่งใจนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์นั้นเราไม่ทำสองอย่างนี้ใจลอยไปลืมกายลืมใจกับอันที่สองเพ่งกายเพ่งใจ เราทำทางสายกลางรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเรียกว่ามีสติเรารู้สึกได้แล้วก็เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ามีปัญญาถ้าเห็นความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่ามีสติ ถ้เห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์เรียกว่ามีปัญญาแล้วเป็นปัญญาระดับที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาอาศัยวิปัสนาปัญญาก็จะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนในเบื้องต้นจะเป็นพระโสดาบันถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนภาวนาต่อไปนะมีปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นว่าขันทั้งหลายเป็นแต่ตัวทุกข์แน่จิตจะปล่อยวางขัน ทุกวันนี้เราไม่เห็นขันเป็นทุกหรอกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างมีทางเลือกอยู่เราะนั้นจิตใจของเราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เรื่อยๆไปไม่สามารถปล่อยวางความสุขความทุกข์ได้ต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเข้าไป สุดท้ายก็จะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นได้นะไม่ยากหรอกากผลนิพพานไม่ใช่ของคนพุทธกาลนะธรรมะเป็นอาคาลิโกไม่จํากัดด้วยเวลาเงินธรรมะทุกวันนี้ก็ยังดํารงอยู่เรามีสติมีปัญญาเราก็เข้าไปรู้ไปเห็น ชีวิตของเราก็โปร่งโร่องเบาสบายมีความสุข อ, อย่างเงี้ยมีความสุขอย่างงี้ทั้งวันมีความสุขอย่างนี้ทั้งคืนที่ดูซิอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมมีความสุขเนี่สุขด้วยธรรมะนะยังถ้าเราได้ทรงความสุข อ, อย่างงี้ตลอดโอ้หมีความสุขมหาศาลเลยสังเกตไหมใจของเราตอนนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครใจของเราขนาดนี้ไม่ได้ชั่วอะไรสังเกตไหมก็ไม่ได้หลงดีหลงอะไรเลยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายสบายทิ้ง มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานนี่ขนาดใจปุถุชนนะแต่สัมผัสธรรมานิดหน่อยแล้วมีความสุขได้ขนาดนี้ละถ้าได้สัมผัสธรรมาลึกซึ้งเป็นพระญาบุคคลที่มีความสุขขนาดไหนนี่โฆษณาชวนเชื่อเลยเนาะภา <c oughs> วนาค็นะเราจะได้ของดีไม่ทําไม่ได้หรอกเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้สิทธิคนอยู่วัดก่อน ก่อนมากราบหลวงพ่อครั้งนี้นี่คื อ, อประมาณวันที่สามสิบอะคะ่ะนั่งฟังหลวงพ่ออยู่นะคะแล้วจิตมันเหมือนรวมเข้าไปแล้วเห็นร่างกายมันเป็นกลุ่มควันนะคะ <c oughs> แล้วก็ในกลุ่มควันนั้นก็คือมีความคอนแคลนไม่เที่ยงอยู่อะคะ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ มันไปเห็นว่าโลกทั้งโลกก็คอนแพลนอแต่ว่าพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนทั้งชีวิตมันโดนหลอกอะค่ะอืมว่าให้มันไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยนี่มันไม่เห็นมีเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรับไม่ได้อืใจตอนนั้นรู้สึกว่าสมาธิมันไม่พออืถ้าพอก็ได้โสดาไปแล้วก็ <G ül üyor> <G ül üyor> เป๋ไปประมาณสองวันแต่ก็ดูอยู่อย่างนั้นนะคะเป๋เพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ยทําไมโดนหลอกมาตลอดชีวิตว่ามันไม่มีตัวเรามันแต่ไหนแต่ไร อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีหน้าที่ทําไปอีกนะถึงเวลามันมีกระบวนการตัดของมั น, นมีจิตมันจะดำเนินกระบวนการตัดสินตัดสังโยต์สังเกตตัวเองได้ เวลาที่เราเกิดปรากฏการทางจิตนะอย่างขณะนี้ก็ถือว่ามีปรากฏการทางจิตเกิดขึ้นอันหนึ่งละเห็นแล้วว่าไม่มีตัวตนเหมือนฝันอยู่รู้สึกไหมใช่ค่ะเหมือนความฝั น, นเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดนะเหมือนละอองน้ำมีแล้วหายไปอย่างรวดเร็วเราจะดูลงไปนะเวลาคนไหนได้โสดาแล้วเนี่ยจิตต้องเป็นธรรมดาก่อน จิตต้องไม่ไปติดล็อกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนี่จิตใจขณเนี้เป็นจิตธรรมดาในจิตธรรมดานี่เราจะเห็นขันขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเห็นขันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำนะไม่งั้นในตัวรู้เนี่ยจะมีเราแฝงอยู่นี่เราสังเกตได้เลยถ้าสังโยตตัวแรกขาดสักยะที่ทีขาดนะในตัวรู้เนี่ยจะไม่มีเราแฝงอยู่ ตอนนี้ยังมีไหมยังมีค่ะเออยังมีเห็นอยู่ดีค่อยเรียนไปจิตได้เห็นบ้างแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลมหายใจละเอียดกว่าปกติที่ที่เคยเคยเดิมที่เป็นอยู่นะคะรู้สึกบางทีนั่งนั่งอยู่เนี่ยถ้าไปรู้ลมหายใจมันเหมือนกับเราไม่ได้หายใจอ ย, อยู่ด้วยซ้ำมันเหมือนหายใจทัางผิวหนังนะเจ้าค่ะดังนั้นจิตมีสมาธิก็ หลังจากตรงนั้นก็เห็นว่ามันมีความขาดขาดเ ก, เกินตลอดค่ะบางทีสติเยอะไปแข็งกล้าไปก็มีแต่ขาดกับเกินนะคะอย่างใชไงคนก็มีแค่นั้นนะที่นั่นที่มาส่งกันบ้านเห็นไหมไม่ ข, ดขาดก็เกินมีแค่นั้นแหละขาดเกินหลายอย่างบางทีก็แข็งไปบางทีก็หย่อนไปเห็นไหมใช่ค่ะบางทีก็ออกนอกออกนอกไหมออกจก้ะค่ะ นี่ไงจะออกนอกนี่แหละคือสมาธิไม่พอละเวลาตัดเนี้ยจิตต้องถึงฐานจริงๆนะถึงจะขาดถ้าจิตยังออกนอกอยู่แล้วไปเกิดปัญญาขึ้นนะยังไม่ตัดแล้วสมาธิต้องพอเจ้าค่ะให้รู้ทันจิตว่าจิตไม่ถึงฐานนะถ้าจิตถึงฐานก็ขาดไปแล้วปัญญาเกิดแต่อย่าไปอยากให้ปัญญาเกิดดีนะจะไม่เกิดอีกเลยนะ เวลาที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดของมันเองไม่ได้คิดว่าจะเกิดตอนนั้นด้วยถ้าคิดว่ากำลังจะเกิดจะไม่เกิดเลยนะแต่ตอนนั้นจิตต้องรวมเข้าถึงจิตจริงๆสติรละลึกรู้ลงไปที่จิตเห็นความเกิดดับภายในจิตปัญญาก็หยั่งลงไปว่าไม่มีอะไรเลยถูกหลอกทั้งหมดเลยอยู่ที่จิต <Okay. S 1> จิตไม่อยู่ที่จิต ยังไม่ลางกิเลสมันสังเกตว่ามันมันมันกระจายออกไปใช่มันกระจายเจ้าออกไปลองย้อนมาดูจิตสิมันจะย้อนไม่ได้มันจะเด้งออกเลยดูออกไหมเนี่ยดีดออกมันมีแรงดีดออกไปมันจะดีดออกนะตัวที่ดีดมันเรียกว่าตันห่าดีดออกไปไปไปไหนก็ไปหาพบหาชาติพบอะไรพรบว่าง พบสว่างพบโอภาสถ้าจิตไม่ถึงฐานจะไม่เดินปัญญาอย่างไรนะความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยใช้อะไรไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้เพราะงั้นไปฝึกให้จิตถึงฐานต่อนะโละสบายขึ้นค่ะอยู่ทีออ่อะไรสบายใจมันเบาขึ้นออใจมันสบายหรือเราสบาย ดูให้ดีนะใจสบายหรือเราสบายออจริงจริงใจมันสบายนะแต่เราคิดตู่ว่าเราสบายถ้ากายนี้มันไม่ใช่เราใจนี้มันไม่ใช่เราะใจมันสบายตอบถูกกายมันสบายเนี่ยตอบถูกถ้าภานําให้เป็นก็เราสบายดูไปด้วยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เร า, เรานะดูอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเบื้องต้นช่วยมันคิดนิดนึงก็ได้ การสอนให้มันหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจต่อไปมันจะเห็นเองอ่ะต่อไปใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อมีไห ม, มน้อมรักสการครับหลวงพ่ออข่าวก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปรู้ทันจิตที่หนีไปคิดให้มากๆเลยสังเกตไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเออก็ นาตามแบบนักกัญทูดน่าจะมีแต่ไม่ค่อยพอใจกับเท่าไหร่นะทํ ม, ม, มันยังน้อยเป็นยองยังน้อยให่หมโลบอย่างนี้ก็ดีแล้วนะสังสารวัตรตั้งยาวค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นใช้ได้เนี่ยจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นสังเกตไหมเวลาจิตใจอยู่กับตัวเองนะมัก็มีความสุขผุดขึ้นมา ถ้ามันมีสมาธิขึ้นมาต่อไปเราก็ดูกายทำงานดูใจทำงานนะอย่างถ้าใจหนีไปคิดให้รู้วัยๆนะใจยังขยันหนีคิดอยู่ประเด็นก็คือผมผมรู้ว่าตัวเองเนะี่ยต้องรู้กายเพราะว่าไม่งั้นดูจิตอย่างเดียวมันจะเหมือนวงวงเวงๆนะครับมันไม่มีที่กเกาะแต่เวลาลูกายแล้วอย่างรู้ลมหายใจนะก็จะซึมไปอย่างเงี้ยหรือบางทีก็แน่นๆ น, น, นะครับ ต้องต้องรู้ประมาณยังไงครับรู้รู้สึกแค่รู้สึกนะอย่าไปดูมันเราไปติดคำว่าดูมากไปแค่รู้สึกตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่อเห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายมันไปยักหน้าเมื่อกี้เนี่ยแค่รู้สึกแล้วรู้สึกสบายสบายอย่าไปจ้องมันประเด็นคือรู้สึกเสร็จแล้วมันจะแชร่ดูต่อไปเรื่อยๆแช่ให้รู้ว่าแช่เลยต่อไปไม่แช่นะถ้าลงไปแช่ให้รู้ว่าแชร่ พอรู้ว่าใช่ก็ไม่ต้องสนใจมันต่อใช่ไหมครัแค่รู้สึกไปนะไปหางานทํำก็ได้ไปกวาดบ้านซะบ้างเคยกวาดบ้านไหมครับเออนะักวาดบ้านเห็นร่างกายมันกวาดเรารู้สึกสบายๆเหมือนดูคนอื่นกวาดบ้านดูเหมือนดูคนอื่นเลยนะโดยปกติตอนนี้ก็จะใช้ลมหายใจหายใจไปแล้วหนีไปหนีไปอย่างอื่นก็รู้ลมหายใจไปอย่างที่เคยทําหายใจไปแล้วก็รู้ทันไปนะ เห็นร่างกายมันหายใจใจเราก็ดูไปหรือจิตเราสายไปสายมาว่าจะไปดูอะไรเห็นจิตมันสายรู้ทันว่าจิตมันสายเนี่ยเห็นจิตที่สายไหมถ้าไม่เห็นดูกายไปเลยเห็นร่างกายนั่งหายใจอยู่รู้ไปสบายๆรู้ไปอย่างมีความสุขรู้ไปยิ้มไปเออต้องยิ้มไว้อย่างนั้นอ่ะยิ้มในหน้าก็ได้นะ เห็นไหมพระพุทธรูปยิ้มทุกองค์เลยไหมไม่ทำหน้าอยู่ทำใจสบายรู้สึกไปนะสมาธิมันเกิดหายใจแล้วแค่รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกถูกละขอบคุณครับมาสการครับหลวงพ่อผมรบกวนถามสองคำถามนะครับคือ เขาแรกคือช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนาได้ไม่ค่อยดีนะครับคือว่ามีปัญหาว่าต้องต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราไม่ค่อยชอบแล้วก็ทนเป็นปีๆครับแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยงานหนักแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่อนข้างวุ่นวายครับผมผมควรจะทำยังไงกับอันนั้นต้องทำใจแะถือว่าเรามีวิบากนะต้องอยู่ตรงนี้ยังหนีไปไหนไม่ได้ ถ้าใจเรายอมรับว่าเราต้องอยู่ตรงนี้นะใจไม่ดิ้นหนีนะใจจะค่อยๆลดความทุกข์ลงได้แต่ถ้าใจเราเกลียดมากอยา ก, อยากไปให้พ้นอยากไปให้พ้นนะใจยิ่งเหี่ยวแห้งใหญ่ยอมรับสภาพไปถือว่ากำลังใช้นี่กรรมอยู่รับข้อที่สองครับหลวงพ่อคื อ, อ, อ, อที่หลวงพ่อเคยสอนว่าแบบการเห็นตาตรลักษณ์ของกายง่ายกว่าใจครับแต่ ข้าวที่ผมภาวนามาผมรู้สึกว่าผมเห็นความไม่ใช่ตัวตนการทํางานเองได้ของใจแต่ว่าไม่เห็นกองกายครับถ้าเห็นได้แล้วเอาเลยนะที่ให้ดูกายเบื้องต้นเพราะฟุ้งมากเท่านั้นเองนี่ถ้าเข้ามาดูถึงจิตถึงใจได้ก็ให้ดูเข้ามาที่จิตที่ใจเลยนะคื ท, ทีแรกจิตมันฟุ้งมากดูจิตไม่ออกหรอกมาดูกายไว้ก่อนตอนตอนนี้จิตมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้ว จิตมีแรงมันมาดูจิตได้โดยเฉพาะเวลาที่ชีวิตเรามีปัญหานะมันจะดูจิตถ้าปัญหาไม่แรงมากนะจะดูจิตง่ายถ้าช่วงไหนสบายมากนะกับขี้เกียจดูซะอีกอย่างช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการงานนะใจมีความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะดูได้ชัดเป็นอารมณ์ที่แรงนะเพราะฉะั้นตอนนี้ถ้าดูจิตดูใจได้ดูไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายนะไม่ใช่ดูเพื่อให้หายทุกข์หายเครียด ดูเพื่อให้เห็นเลยว่าความทุกข์กับจิตเก็โคดล้านความเครียดกับจิตเก็โคล้านกันดูไปความรู้สึกทั้งหลายกับจิตเนี่ยโคดล้านกันดูบ่อยๆแล้วมันก็เป็นเองสังเกตไหมมันเป็นได้เองพอความคิดเกิดความกังวลเขาเกิดความคิดเกิดความเครียดก็เกิดจิตจะคิดก็คิดได้เองพอ ค, คิดแล้วเกิดกังวลเองเครียดเองดูเขาทางานของเขาเองภาวนานดีขึ้นนะ แล้วทําเมื่อไหร่ ง, งานการสบายถนะ้าภาวนาจะหย่อนลงนะอันนี้หลวงพ่อเจอมาด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนทํางานอยู่หัวหน้ากองเนี่ยจู้จี้มากเลยเราทํางานนะโอ้เครียดนะช่วงนั้นภาวนาเก่งมากเลยภาวนารวดเร็วมากเลยพอย้ายงานนะเปลี่ยนงานงานก็สบายหัวหน้าก็ดีเพราะเราเลือกเองนะเงินเดือนก็เยอะนะโอ้ยการภาวนาย่อหย่อนลงไปเยอะเลยนะสู้สมัยลําบากไม่ได้ อย่าตอนนี้ลําบากนี่แหละจะภาวนาดีลําบากไปก่อนไม่เป็นไรหรอกยังหนุ่มอยู่ <c oughs> ขอบคุณครับหลวงพ่อนมาสการรับหลวงพ่อเมื่อสามอาทิตย์ก่อนได้มีโอกาสไปปีกวิเวกที่วัดของหลวงปู่ท่านหนึ่งมาครับเ อ, อก็ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าทําได้ดีอยู่ครับก็รู้เป็นธรรมชาติไม่ค่อยแน่นแล้วก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นครับแล้วก็ตอนนั่งนี่ก็ แต่ก่อนมันจะเห็นจิตเนี่ยมันไปกับใจส่วนใหญ่จะไปแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นจิตออกไปที่ตอนที่นั่งอยู่นี่เห็นไปทางที่หูบ้างบางทีได้ยินเสียงละฆังเนี้ยครับบางทีจิตทได้ยินเสียงะระฆังมันไปเกิดที่หูซ้ายแล้วพอเสียงสะท้อนกลับมามันก็วิ่งไปกิดที่หูขวาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเห็นถูกรึเปล่าเห <c oughs> ็นถูกเห็นอย่างที่มันเห็นนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจออกถูกหรือผิดนะจุดสําคัญก็คือพอเสียงกระทบหูแล้วใจเราเป็นยังไง ใจเราสบายใจใจเราสนใจมมวแต่สนใจที่หูอะไรเงี้ยถ้ามัดสนใจอยู่ที่หูก็จิตออกนอกครับก็บกก็ทาสมาธิได้นานขึ้นแล้วก็ปกติเวลาทําสมาธินี่ก็จะนั่งฟังซีดีของหลวงพ่อไปด้วยครับก็พอฟังไปเรื่อยๆก็จะได้ยินหลวงพ่อพูดถึงการเดินปัญญาบ่อยมากครับก็ก็พอทำมาๆก็รู้สึกว่าเออตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้ค่อยเดินปัญญาอะไรก็คือแค่ฝึกมีสติรู้กับจิตที่หลงไปแล้วก็ ไม่ได้ดูว่ามันเป็นไม่ได้ดูให้มันยอย่าไปรีบนะเดินปัญญาไม่ต้องรีบหรอกปรับเบสิกปรับพื้นฐานเราให้เข้มแข็งก่อนจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยฝึกให้ดีพอสมาธิเราดีนะถึงขั้นเดินปัญญานี่ยใช้เวลาสั้นๆถ้าสมาธิไม่ดีไปเดินปัญญาก็ล้มลุกคลุกลานไปเลยก็คือาถ้าผมคือผมไม่จําเป็นต้องไปคิดว่า ต้องเดินปัญญาให้ได้ก็ให้ใหใหดูไปอย่างที่มันเป็นดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละทําอย่างนี้ต่อไปใช่ใชแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปถึงเวลามันเดินของมันเองและก็คือไม่ต้องไปคิดเดินมันจะเดินออกมันเองใช่มใช่แต่ฟังซีดีหลวงพ่อไว้นะแล้วถึงเวลามันจะเดินเองครับก็บางคืนผมก็คือปรติปตอนทําวัดเย็นก็จะทุกข์มากครับก็บางทีก็ดูความทุกข์ของไปจนมันเริ่มค่อยๆคลายลงทุกข์นะั้เป็นเพื่อนของเรานะ เป็นของที่คู่กับจิตเราอยู่เสมอเลยความไม่สบายใจความลาคาญใจอะไรนี้มันยืนพื้นอยู่ในใจเราบ่อยๆความกุหนิดน่ะให้รู้ทันมันอย่าไปเกลียดมันนะแค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก้าวข้ามไอความตึงกับความปวดได้มากขึ้นคือว่าจะตึงจะปวดยังไงเราก็ไม่สนใจละเราจะไปบัติของเราไม่ ให้มันมาสึกท้อทแท้ใจอะไรบ้างเลยครับเออดีไม่ทอ้อก็ดีแล้วแต่นะเราไม่ได้พาวนาเพื่อเอาชนะความตึงความปวดนะเราพราวนาไปเนี่ยเรารู้ทันจิตแจขงเราไปจิตใจเราสงบเราก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านไปเพราะความตึงความปวดเราก็รู้ก็ครั้งที่แล้วมาหาหลวงพ่อผมถามเรื่องว่าผมจิตผมว่าพาราบก็ได้วิธีแก้ของหลวงพ่อมาก็คือว่าให้รู้ทันจิตที่ว่าพราบไป<ม>แล้วก็เกาะ ก็ให้นึกขอขอมาพระตาวันละหนึ่งครั้งแต่ทีนี้พอพอกลับไปครับรู mm ้ hmm. สึกมารมันเปลี่ยนรูปแบบอ่ะมันก็พอผมจิตว่าภพผมเนี่ยก็พยายามจิตมันพยายามจะว่ายผมหัวเราออกมาเพื่อเป็นการกระทำมาผม mm hmm. บางทีก็ให้ยินออกมาคือเจอหรือบางทีก็เวลาผมขยับร่างกายอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนให้ผมไปทำร้ายครูบาอาจารย์บ้าง <Yeah. S 2> บางทีเดินเนอยู่มองไปที่เท้าภาพครูบาอาจารย์ลอยขึ้นมาบ้างอื mm hmm. หรือว่ามันก็เพล จะทําให้ผมทําร้ายแม่บ้างอย่างเงี้ยจะกระตุ้นให้ผมทําอนันต์ตีกิริยกรรมบา้างอย่างเงี้ยอ ม, มันก็รู้สึกมันแรงมากแล้วก็ผมก็ฟังสิ่งของพ่อก็ได้หลวงพ่อบอกว่าจิตจะชั่วร้ายแค่ไหนก็ให้รู้ไปแล้วก็ให้รักษาสิ่งห้าไว้ครับเออแล้วจเจริญเมตตาไว้ไอ้อมารตัวนี้นะมันมีลักษณะเด่นตัวหนึ่งลักษณะด้อยของมันอะคือมันแพ้การจเจริญเมตตาน ะ, ะเรเจริญเมตตาเยอะๆไอ้อออมารตัวนี้มันจะอ่อนแรงลง ก็ถ า, ถามว่าถ้าสมมติผมเกิดไปคิดเรื่องครูบาอจาแล้วมันพยายามคิดแล้วผมหัวเราอหรือเออหัวล้ อ, อ, อ, อ, ลอก็อย่าไปหัวเราะมันครอบให้เราหัวเราะนะตอนที่หัวเราอนะักขาดสติเลยก็บางทีมัน ก, ก็ก็ไม่เคยหัวร้อแต่ว่ามันก็พยายามจะให้เราหัวเราอหรือ ย, ยิ้มบอกมาออนั่นแหละมันพยายามยัว่วบางทีอย่างนั่งสวดมนตนะ์นั่นนั่งหัวเราอไปเรื่อยๆเลยนั่นโดนมันครอบเอแล้วก็ถ้าสมมติมันหัวล้อกับยิ้มบอกมามันจะถือเป็นการกระทํำ ไม่เป็นหรอกให้เรารู้ทันเราไม่ได้เจตนามานขอข้ามาแก้ได้ใช่ไหมครับพันเอกได้ได้อย่าไปกังวลมากขอวละครั้งพอผมก็ผมมีเรื่องไม่สบายใจคือตอนผมอยู่มห้าผมเรียนเรื่องกันบัตรเสีผมก็เผยวิจารณพระเวสสันดรไปว่ผิดหรือเปล่าพับเผิดแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้วิจารณแล้วเนอะก็ไม่สบายใจเรื่องนี้มานานแลเออแล้วเลิกได้แล้วก็เลิกได้แล้วก็ขอข้ามาไปหลายทีมาเออขอแล้วท่านไม่ว่าหรอก คือเราเอามาตรฐานของคนยุคเรานะไปตัดสินคนอีกยุคหนึ่งคือตอนนั้นมันอารมณ์ชั์วูบไปครับเป็นเด็กแบบดาลเพื่อนอะไรพวกนี้ครับคนคนเดี๋ยวนี้ยังว่าดพระเวศสันดรอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปโจมตีแบบว่ไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมยกลูกยกเมียให้คนอื่นอยากจะได้มรรคผลนิพพานเอาตัวรอดหรือจริงไม่ได้เอาตัวรอดนะ ความเมตตาของท่านกว้างขวางไม่ได้เมตตาอยู่แค่ลูกแค่เมียท่านเอย่าของเราเนี่ยเราจะเมตตาคนใกล้ตัวพระเวสสันดรใจกว้างนะเมตตาสรพพสัตว์กล้าสละไม่ได้กล่าวว่าเขาจะมาขอลูกเมียนะแต่ว่าถ้าใครมาขอชีวิตตัวเองก็จะให้เพื่อนไม่มีใครขอถ้ามีคนมาขอชีวิตท่านเราให้นะเราก็จะปรามาท่านน้อยกว่านี้หรอกก็มีครั้งหนึ่งตอนนี้ไปวัดก็ ผมไปประเขนอาหารพ้าก็ไอ้จิตนี่มันก็คือมันปรุงประแลมปรุงเรื่องช่วยผมก็มันปรุงไปมันปรุงไปประมาณไปปรุงว่าผมไปวางยาผิดพลาดไงครัมันคิดออกมาเน้ขึ้นมาเองก็กังวลอยู่หลายวันครับจนผมกังวลมากๆผมก็ทามันเลว่าถ้าผมทําผิดอะไรจริงเนี่ยต่อพระนตายขอให้ผมมีอันเป็นไปหนึ่งคืนนั้นเลยก็ออแต่พอพูดอย่างนี้ไปมันก็ไอ้จิตอันนี้มันก็วางได้ลงไปเหมือนกับเออมันเอาชีวิตเข้าแลกแล้วมันอย่าไปกลัวมันนะแต่อย่าไปทําบาปอกุศลใดๆ บางทีมันก็บอกให้เราฆ่าตัวตายนะไอ้มาลตัวเนี้แสบมากเลยครับคนไหนจะมีแววอย่าวนาดีนะันบอกให้ฆ่าตัวตายไปเลยแต่เรื่องกลัวมากคืออยู่ใกล้แม่มันมายังจะกระตุ้นให้ทําร้ายแม่บ้างทําอันนี้มันของเก่าด้วยเนะพราะว่าเจอแม่ก็โมโหทุกทีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ก็ก็พยายามคือได้ฟังหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้เคยฟังได้ยินว่ามีคนทะเลาะ ก, กับแม่หลวงพ่อบอกว่าให้ตั้งใจว่าเออเนี่ยให้ อย่าทะเลาะกับแม่เนะี่ยทุกชาผมก็พยายามบอกเองว่า อ, อย่าทะเลาะกับแม่ก็แล้วพยายามรักษาสีข้อสีไว้ดีามากครับ ด, ดีนะการที่เราฝึกตัวเองในความยากลําบากเนี่ยจะทําให้เราเกิดบุญบารมีเร็วนะถ้าเราฝึกไปในสภาวะที่ง่ายๆในบุญบารมีเกิดชา้าการที่เราต้องต่อสู้อย่างเข้มแข็งเนี่ยทําให้บารมีเราเต็มเร็วนะดีก็ทำแนวทางนี้ต่อไปไม่ต้องไปคิดว่าต้องเดินปัญญาให้ได้แล้ววันนี้ไม่ต้อง<ก>แค่ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องหรอกนะ ปกติผมก็ส่วนมนต์นั่งสมาธิอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าวันละครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ดูจิตผมดูกายไม่เป็นอะ่ะผมรู้สึกดูกายแล้วมันแน่นก็ดูจิตไปก็ดูแค่นี้ไไพอใช่ไมครับแค่นั้นพอละนะครับค่ะส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะหลวงพ่อแล้วก็อาทิตย์ที่แล้ว จะทำส ม, มถะแล้วก็ทาในรูปแบบทุกวันให้ได้วันละสิบนาทีออผลที่ได้รับก็คือจิตใจมัน อ, อ, อยู่กันเนื้อกันตัวมากขึ้นนะคะใช่แล้วก็เวลารู้ก็คือเห็นได้ชัดว่าบางครั้งรู้แล้วรวบตึงเข้ามาออบางครั้งก็คือรู้ได้แบบสบายๆค่ะออแล้วก็เห็นว่า ใจผู้ผู้รู้ก็อยู่อีกตัวหนึ่งความคิดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็กายก็คืออยูอ่อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ไม่ปนกันสมัยก่อนนะคะดีแล้วละขันมันแยกได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความสุขในโลกนี้ค่ะมันมันงันงนนะคะเหมือนสมัยก่อนที่เคยคิดว่าถ้าได้เงินเดือนแพงแพงแล้ว จะมีความสุขพอได้มามันก็เงินเงิใช่เงินๆไปดูหนังคิดว่าจะมีความสุขพอดูแล้วมันก็เงินๆเลยใช่ใช่ก็เลยรู้สึกเวลาพาวนาเป็นนะโลกจืดนะโลกนี้จืดชื้นไม่มีสาระหรอกทาถูกแล้วมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเราต้องรักษาความตั้งใจของเราไว้ให้ได้นะถ้าทําได้นะบารมีมันจะเต็มเร็วบางคนน่าโง่โง คิดว่าเจริญวิปัสสนารวดไปเลยแล้ววันหนึ่งยังบรรลุมรรคผลนะบารมีอื่นๆไม่มีนะมันไม่มีแรงบรรลุมรรคผลลงนะนั่นอย่างอธิฐานบารมีตั้งใจไว้แล้วต้องทําให้ได้ในเรื่องที่ดีๆตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้ต้องมีสัจจะต้องมีเมตตาต้องมีขันติต้องมีทั้งนั้นมีฐานะบารมีมีอุเบกขาบารมีมีศีลบารมีน ต้องมีให้ครบนะวิริยะบา ร, รมนะีวิริยะนี่เป็นความขนไหายละชั่วทำดีเราตั้งใจละชั่วทำดีแล้วก็ต้องทำให้ได้นี่เรื่องอธิฐานน้บา ร, รมนะีถ้ามีบา ร, รมีครบนะเจริญปัญญาทีดเดียวก็ขาดแ ล, แล้วเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวบา ร, รมีตื่นไม่พอ้อมไม่ค่อยขาดหรอก เอว่าามกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ทรงกันบ้านสามปีเห็นความเปลี่ยนแปลงมหมสามปีนี้เห็นค่ะหลวงพ่อให้ไปดูกิเลสก็เห็นความคิดเกิดดับเออความคิดก็หลังจากหลังจากที่ความคิดดับก็มีสภาวะตามมาอืมสภาวะมันก็แรงบ้างเบาบ้างมันขึ้นอยู่กับความคิดที่ สำคัญกับตัวเราถ้าความคิดความคิดสําคัญน้อยสภาวะที่ตามมามันก็ไม่อืไม่แรงมาก<ช>มันก็ดับดับแต่ถ้าครั้งไหนสภาวะมันแรงก็ความคิดดับไปแล้วแต่สภาวะนั้นมันยังมันยังไม่ดับเราต้องรับมีบากนะนะก็ <G ül üyor> อย่างบางทีไปคิดไม่ดีไว้นะจะ <C HA? S 1> ต้องทุกไปอีกช่วงหนึ่งธ <C HA? S 1> นะรรมดาต้องรับ <C HA? S 1> ผลแล้วค่ะรับก็ พอสภาวะมันมันแลมันไม่ดับมันก็ดูยังไงก็ไม่ดับมันไปดับอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้ก็เห็นไปเห็นความคิดตัวใหม่กันเกิดขึ้นเราเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปแท็กแสงสภาวะนะเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ามันทํางานของมันเองหรอกมันไม่ใช่เราหรอกะเห็นไหมมันทําได้เองค่ะนั่นแหละต้องการตรงนี้เองของคุณเป็นพวกปัญญากล้านะดูอนัดตาไว้ดูว่ามันทําได้เองดูไปบ่อยๆค่ะ ทำถูกแล้วล่ ะ, ะจิตใจก็ดีขึ้นหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะนี่ไปดูนะทุกอย่างไม่ใช่เราหรอกทุกอย่างมันทำงานได้เองดูมันไปเรื่อยๆดูของจริงนี่แหล ะ, ะพอวนานได้ดีเชียวละ่ะกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะ เ, เชิญกลับบ้าน